นาณังนิตังวิญญาณความรู้ทางนั้นก็ร้อนกันอย่างไ่างินท่านจึงย้อนถามอีกเกณะณิตังร้อนเพราะอะไรอะไรมาทําให้ร้อนตามปกติคนเราอยู่อย่างนี้นะว่าร้อนที่ทําไมพระพุทธเจ้าว่า ร, ร้อนท่านถึงตรัส ร้อนเพราะราคาคือร้อนทุกพบทุกชาติเลยเพราะราคาราคาทีนาไฟคือราคาที่เราร้อนอยู่ในเวลาทุกทุกอย่างยังไม่เข้าใจก่ร้อนไปในอดีต นี่ท่านพ่อก็เขียนหนังสือไว้ว่าใจเขาเราไปตามตามสัญญาอาดีตบ้างอาดีตเป็นอย่างไรนึกว่าจะเข้าใจให้เป็นไปตามอาดีตมันล่วงมาแล้วอะอนาคตอีกเราเราเราทันทนยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราไม่เข้าใจในนาคตพระบรมมูกสุขติิงตรัสให้พิจารณาในปัจจุบันอะไรที่เป็นตัวเหตุขึ้นมาท่านจึงตรอย่างในเฮตุ hey, ปัจจะโยอะไรเป็นตัวเหตุตัวเหตุนี้สำคัญจับต้นเหตุในได้ ใจเราก็ได้ความยินจับจุดให้ได้จุดอ่อนอยู่ที่ไหนที่เราบำเพ็ญธรรมเราทำจุดอ่อนให้จับจุดอ่อนให้ได้คำสอนในทางาศาสนาวิเศษราคะกีนาไฟคือราคะ โทสักกีนาที่มันผลาญกันอักกีปาวาโกไฟป่ามันเกิดขึ้นบางการบางคราในประเทศออสเตรเลียก็มีเหมือนกันไฟป่าเกิดขึ้นมันกระทบกันเองเกิดเป็นไฟขึ้นมาถึงประเทศอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นเครื่องชี้บ่งชัดในศาสนาธรรม คือความร้อนของภายนอกแต่ความร้อนภายนอกนั้นทันทนไมันสมมติถูกไฟไหม้คนบางปชาติเดียวเลยแต่ความร้อนภายในที่จิตใจเรามีกิเรสหนาอยู่ มันเพราะมันดินติดหนังหมูมันติดกับทินีิดินนิดมันก้อนเป็นก้อนขึ้นมาแต่เราไม่น้อมมาพิจารณาก็ไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาที่มันเกาะในจิตเป็นทนิมจิตนั่นยิงเราพยายามทำความดีลบ ความไม่ดีทำความดีมากความเสียงความหมดไปสิ้นไปภายในใจ ấy. กายนี้เป็นตัวผลผลเองความเกิดที่เราเกิดมาไปลงโทษกายไม่ได้หรอกพื้นเป็นดินมันอยู่อย่างนี้แหละถ้าดินก็มันอยู่ในในโลกที่เราอาศัยอยู่ ที่ใช้ปลูกบ้านสร้างบ้านเรือนทำอะไรทุกอย่างปลูกปักอะไรที่เราเมาใช้มารับมาทานเป็นอาหารทำถนนุนทางโคโจรกรรมจนไปจนมาคนมีมากขึ้นจราจรก็มาติดกัด ต้องขยายตัมตัดถนนใต้ดินบ้างทำ ป, ปูนวงน้ำบ้างแต่มันตัดสาเหตุนึแต่ยังดีอยู่แต่ว่าถึงการพัฒนาของประเทศ่ว่าแก้ป้องกันอยเหมือนกันแต่หลักคือความเป็นจริงของแก้ต้นเหตุที่แก้ความไม่เกิดมันลด ลดจำนวนความเกิดมันลดไปเองโดยสภาพมันเป็นไปเองที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลังนักบวชนักบวชนย่ยงเราบวชมาหกสิบปีย่งพิจารณาให้ดีเราก็ตัดตัดไฟไปได้เยอะ หลักการกี น, น่าแต่ยังตันไม่หมดอีกตักีนาชาติชาติยังไม่สิน้นต้องปฏิบัติมันสิ้นขึ้นมายังกำหนดไม่แน่อีกว่าเราจะอยู่ในแน า, นาคตรกี่พักกี่ชาติแต่ยังปฏิบัติ ไม่เข้าสู่อริยามากทางเดินของพระอริยเจ้าเราก็เดินตามที่พระอริยเจ้าท่านปฏิบัติมาเป็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทำจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราเป็นทุกข์อยู่ ทุกเพราะความเกิดชาติทุกทุกเพราะความเกิดเฉลาทุกทุกเพราะความแก่คนยังหนุ่มน้องแมงไม่เข้าใจในความแก่แต่พอถึงความแต่เข้าธรรมะเราเห็นเองมันแต่มันฉุก ความเชือราคือความกำา a ้าของสังขารความอ่อนระรวยไม่มีเพราะมันกำ k a ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติในเกิดปัญญาขึ้นมาในเห็นคือความเป็นจริงของรู ป, ปรธรรมในรู ป, ปรกายอย่างนี้ เราเห็นในขั้นต้นหรือเห็นลึกตั้งนะปรเทศนู่นะปุบเปนิว่าในในชาติก่อนๆที่เราเกิดมาแล้วนะปุบเปนิว่าสารนิตยาณารุชาติได้นะชาติในก่อนๆถ้าเราเห็นไปในพบก่อนๆคือความทุกข์ก็เหมือนอยู่ในปัจจุบันนะี่แหละ ม่อเป็นเช่นนั้นเป็นการตัดความทุกข์เป็นการตัดตัวเหตุเราแก้จึงเป็นตัวแก้ตัวความตัวสมุมดไยได้ อะไรโดนทุกข์แล้วเราเห็นทุกข์เรารู้ว่า น, นี่เป็นทุกข์แล้วแต่ก็ไม่จับต้องเหมือนไฟมันร้อนไปจับไฟมันก็ไหม้มือเลยเด็กมันไม่รู้ไปไปไ ป, ไปจับถูกไฟชอ็อตมันก็ลอยวางทันทีตัวเหตเตงเกิดความทุกข์ ที่ทนตรัสาราคคิราคะทิพไฟคือราคะมันร้อนร้อนมาเป็นเป็นพบเป็นพบ เ, เป็นชาติเมื่อเราบำเป็นธรรมรมจิตของเราให้มีคุณฑธรรมเป็นลำดับขั้นของธรรมะเหมือนบันได มันเดนที่สูงทําบันไดมันเป็นลําดับขั้นขึ้นไปเราก็ขึ้นได้มันจะขึ้นภูเขาอย่างเนี้ยณะจิตของเราที่ถูกลูกตุ่มมันถ่วงถ้ธนูมาเหมือนกับจิตของเราที่มันมันหนักอยู่งั้นเหมือนลูกปป่งครับลูกโป่งที่เขาผูกไว้ จิตเต้ขึ้นสู่สอาวียมากไปได้ถูกคีเดตมันถ่วงไว้ครับตัวีเดตตัวนิวนเหมือนกับลูกูปโปงเหรือเราตัดนิวรได้สัญญาอนจยนติตัดได้สัญญาเนยนาคตตัดได้พิจารณาเห็นในปัจจุบัน แต่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเราสวดมนต์จากกุ้งอดิตังนี่ว่าตาเป็นของร้อนจาก ก, กูสัมพัสก็สัมผัสก็เป็นของร้อนท่านสอนไว้ดังนั้นถึงเราสวดมนต์กันยำ จิงจะจำแม่จำนจํานํามาพิจารณาก็าให้เกิดปัญญาถ่งแท้แน่ชัดในสัจธรรมคือความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้อ า, อาศัยตาที่เราเดินไปเดินมาอาศัยตาแต่เราไม่มีอาศัยตาก็โดนเดนี๋ยวก็โดนเดินชนนั้นเดินชนนี่ไปเยียบ สิ่งไม่ดีบ้างเหยียบน้ำบ้างอะไรห ล, หลายๆลอย่างตะตาเราเสียนอกจากผู้น้ผู้นำมีผู้อื่นจูงแม่เราเหยียบอันนั้นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมนี่เรานำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณา mm hmm. เพื่อไม่ให้จักขู่มันสัมผัส กวสายเกิดในปฏิจจสมุปบาทก่าสายเกิดอันนี้อวิชชาปัญญาสังขาราความไม่รู้มันเกิดสังขารสังขารคือมันตรุงแต่งด้วยตรุงไปด้วยนะมันคิดนึกไปด้วยท่านพ่อว่าสัญญาไปนี้ อ, อารมณ์ในอดีต ถ้าอารมณ์ดีที่เราไม่เข้าใจเราว่าเป็นอารมณ์ดีเราก็คิดอยากจะดึงดูดึงอารมณ์นั้นเข้ามาอีกแต่นี้สัญญาในอดีตเห็นไม่ดีคิดไปอนาคตอีกสัญญาอนาคตอยากจะดีในอนาคตมันปรุงแต่งไปอนาคตอีก รุงกัมากเราเป็นสังขารกับวิญญาณวิญญาณนังเกิดวิญญาณขึ้นมามี ญ, ญาณปัจจายานามารูตังไปเป็นนามารูมันเกิดมันเราไปสู่กันไปสู่เกิดไปที่สุนที่วิญญาณ นามรูปปัจจยาซาลาจตันังพอเป็นนามารูปกับมันมีอายตนะขึ้นมาเลยในขันต้นยังเป็นเป็นยาสาขามีศีษะมีแขนสองแขนมีขาทองขาอายตนะขึ้นมาอายตนาเครื่องต่อแต่ว่าเป็นสมบัติของของร่างกาย แต่ผู้พิจารณาเกิดปัญญาลึกนั่นเป็นก็เริยกเกิดสัมผัสตะ ก, กูสัมผัสรูปมาสัมผัสกับตาเลยสัมผัสสปัจยาเวทนาเวทนามันเกิดมันเวทนาที่ว่าร้อนมั่งเย็นมั่งหนาวมั่งไม่อากาศเนี่หนาวสัมผัส นาวออกไปดโดนลมพัดหนาวนี่มีมีแอ ม, ม, ม, ม, มีอุิอเตอร์กัมากับปับเป็นอุ่นขึ้นมาแต่เวทนาว่าร้อนอุน่นให้คุณอยู่คือความอุเพอทนอยู่ได้โดยร่างกายเราเห็นมาคมนิยังอานมูโสพอทนอยู่ได้ก็มีสันติมีตัวสืบต่ออยู่ก็ทนอยู่ได้ เวทนาปฏิยาตัณหาขึ้นมาตัณหาตัวดินเนี่ยตัวตัณหาดิ้นไปยารูปเป็นพบคือไปเกิดเป็นพบเขาได้ชาติเปพเกินกรรมภพคือพบ ของความเพลิดเพลินกรรมรูปรูปอารูปอารูปนี่มันสายเกิดวิจารย์ญาตเวตาเ ว, เวและการยิโรธาความดับของอวิชชาของความไม่รู้ ผู้ปฏิมารมตัวปัญญาไม่เกิดขึ้นตัวความไม่รู้มันดับไปความรู้มันเกิดขึ้นเรียกว่าตากุ้งตาเห็นลึกไปผู้เป็นภาษาธุญมญาณนะจุตูปัญญาโน จ, จักตูติได้เกิด ยานังคื อ, อยานย่างลึกลงไปเห็นตามความเป็นจริงมันเกิดนิพิทาคือความเบื่อนหน่ายคลายความยินดีตัวยานปัญญามันโพงขึ้นเหมือนแสงสว่างมองอะไรเห็นตามความเป็นจริงของพิโรมาหิงเวตา แต่อันนี้มองด้วยปัญญาตัวปัญญามองเห็นอดีต อ, อนาคต